พระธรรมเทศนาจะดกปืนเมืองเหนือเรื่องสุวรรณแปะคำผูกติซิบเรียบเรียงใหม่ต้นฉบับเดิมจากเมืองเจียงตุงโดยป่ออินสมเัยชมพูปเปี่ยนทาหกประโยคนักทมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงโม ตาสาภาวโตอะระหโตสมมาสมุทธสัาตะตาสะเปจนะตังปาวติงสุตตาสามะกตาตี สาธาุดุราสปุริตาตั้งลายตั้งยิงใจน้อยใหญ่ผู้มักไฟพาธนาใครนิลาลาภาคปนเสียจากวัตทสงสารถึงนิปานสุดยอดสุดเสียงขอดเครื่องกา ป้ากันมาแต่เจ้าเหือตานเขาพิกขาหันสามตาตานกดแขวดยังสินห้าแปดตามรายถึงยาำควายบใบใจได้หยกง้ายนีลาจาาเกฮาตี่อยู่เข้ามาสู่อารามแปลงใจงามจมื่นย่อมือยืนอันจุลี แห่ปารามีตัวเก่าหืมากเต้าถมนาคือปากันมาพร้อมนานั่งอยู่ท่าฟังทมจุงดาจำติดต่อตามบาทคอบาลีวาตาตาสเปจนาดังนี้เป็นตนติดสืบสนต้วไปบัดนี้เ ด, ดเต ตาตาสปเปจานาในกาละนั้นเล่าคนหนุ่มเทายิงใจมีมากลายพร้อมไข่ตั้งตีไก้และไก่พ้องอยู่เวียงใจต่างดาวแดนเขต้าไก่ตาฝังกำจาบอกเล่ามารอดเข้าถึงหูว่าเจ้าบุญจูเคยละ แห่งเจ้าฟ้าปันธุมติราธานีธา ร, งรุงฤทธิองค์อาจสร้างพระศาสพจัน์ด้วยเร็วปันด่วนสันสูงเจ็ดจันเรื่องไรรัศมีใสผ่องแผ้วด้วยแก้วและแสงติดคำแดงกาใหญ่ผัดดับใสลวงลาย รูปสัตว์ลายน้อยใหญ่ดังจักแล่นได้ไปมารูปกงกาแม่กว้างดังจักขางตั้งตีฟองแล้วไหลน้องล่นฟังท <c oughs> วนไหลหลังลงมารูปเทวาดาอยู่ฝ้าดังจักสัญองกวาภายพันรูปดงตันป่าไม้กิ่งดังแกงใด้ไปมา มีรูปานาจูสิ่งพอแล้วหญิงป่าเมาหายมองเงาโศกเศร้าลืมอยากเข้างายแรงปุ่นดีแยงจูเมืองบอกหูเบื่อถอยห่นจุ่มหมู่คนต่างดาวหูแจ้งข่าวขี่ญ้าปากันมาหล่แหล่บอเวนแหววันใดต่างมีใจไข่พอ คือแจ้งต่อสายตาไหลกันมาบอกขาดลายเจือจาดปงปันเสียงเรื่องนั้นอดอ้าปอบหูเก้าและไปคนยิ่งใจหน่อยใหญ่กาอันใดมาหันตาอัศจริยุผู้ไข่เก่านานาก็มีหันและนะ อาธาขหราจาได้กาละนันไสตนตาไทยผาเปียงใจมโหราไทยกดเลี้ยวบิดเบียงเบียวเสียธรร ม, มีใจดำโคตรกาว่าอายเคยลากาลีมันทา ร, งรุงฤทธิอง์อาจจบชะลาสิปักุนเถงเมื่อลุน่นบรรนามันเตียงาคากูตาย หกเคยใจยผู้ปีบาออดลีนี่ไก่มันเตียงยับไปำขำคาฮือความนาดับขันยกตัวมันดันเล่าขึ้นเป็นเจ้าแต้นตน จุมรีปนห้าวหาตั้งอามาตดวงลหลคนยิงใจมวลหมูย่อมจบสูตัวมันกวนเร็วปันสั้นสองหายัางจ้องอุบายเปืือเฮือมันตายมวยมา้างยาฮือได้ข้นางนันไปกันคาดิ้งในเมียนจอดเตา้าเจ้ายอดภูบาล นใจหันกำเศร้าก็เรียกปูเทาปารโหิตามาปักษาเกาจีฮหือแจ้งทีอุบายปูพ่พีภายบาไปก็ขับไปทุนสาว่าขาแดงมหาราชเจา้าตนเป็นเก้าเวียงใจกวนเร็วไว้ตกแต่งฮหือตาแข่งนาวาคือเอาเฮือมาพ่อมนา ายแข่งตาจอมกันคนใดบ่ตั้นเจ้าหมูเล่นเจ้าอยู่ไปหลังจุงยับยั้งผู้นั้นด้วยด่วนสั้นบัดเดียวแล้วรีบเรียวคำคาเอ้อความนาว่มวายหกเคยใจนั่นใสมีไผ่ไตโยทธามีเหือนาณาไลยแหล่เตียงจักแปดีลี ส่วนใจกาลีเคยลาแม่นอาจกานำนาเหื่อมันหาบ่อใดบ่มีไผ่ไตยยิ่งใจมันเดียวได้ฝ่ายกว่าเตียงจักตุนจาบื่อสงสยัยแ <c oughs> ม่นมันฝ่ายไว้มาก่อนถึงที่บอนปักมมยจุงหือหกใจเคยเขานำเหื่อเข้าต่อจนตั้งหกคนพร้อมนา ย่าได้จ่าสับปันเหือมันแตกบางกลางแม่กว้างสากอนมันเตียงเมื่อมอสียงซ้ำจมลงน้ำห้ซอยบ่อหันห้อยหันสากย้อนน้ำหากปลาไปตกแดนไก่ต่างห้องแม่นจมอยู่ต้องวังทานย่อมเป็นอาหารเลี้ยงไส แห่งจะเค็ใหญ่บังกอนเต้าผู้ทอนแบบเ้ า, าฟังผู้เทาปาโรโหหิตาได้ทุนสาเกา้าก่อพมหูหันตันจิงเร็วปันปงขาดเฮอามาเตรียมตนเรียกเคยหกคนผู้เก้ามาอยู่เฝ้าบัดเดียวแล้วจะเร็วเกาจี้ เออแจ้งที่ความน้อยแล้วจริงหือไปบอกเล่าแกโปที่สัตเจา้าไปลูนก็มีหั่นและนาส่วนโปที่สัตตนบุญใหญ่หัวแจ้งไขขีญยินเครื่องกาบก่โนยขึ้นข้าค่อยในใจว่าสันไดป่อตา ผู้ภาบดาวธานีใจกาลิห้าหาดปองอาขาดลายหนเราเป็นคนตกถอยบ่มีไผหน่อยนิ่งใจเหือท่อายหน่อยใหญ่จักหาได้แดนได้จักมีไผยใจหมอมาช่วยท่อและฝายเราเดียวได้ปอมูบ่มีกูอาสา นอพุทธยอดซอยมองตำก้อยเหลือใจส่วนเจ้าหอใจยอดเงาฟังคำเก่าปโรหิตาจาร์ก็มีราชองค์การปงขาดเฮออามาต่างตารีบลักไปจ่าบอกกล่าวไข่เขตดาวเวียงใจว่าคนไหนอามาตังไภราชนิงใจมีเหือฝายน้อยใหญ่ ือเอาสอนไว้เสียไก่ตำวังใส่ตาตั้งยาฮือข้างและหันด้วยเรียวปั้นริพาวตามอาตยาต้าบัดเดียวกันบ่เรียวตุนจ้าจะฮือผัวกาใจไฟจับยาไปขังไว้ในคอกใหญ่กังกา จักเคคาคำราบคมคาาบถึงตายคนยิงใจไพรไตหูแจง้งไขขีญยาตัง๋งมโนมานากาภผักออกไปจากเฮือนตน รีบเรรนไว้ว่องไปสู่ห้องวางใสพ่องนำเหือไปตั้งไตพ่องนำไปไว้ตั้งเดือบอบอมีเหือเหลือข้างตามแต่ตั้งตามตาตั้งแดนใดก็มีหันและนะา กันถึงวันวารอตาออเจ้ายอดปาระกอนยกโยธามาพระจาราตดวงลายตั้งหกใจเคยเก่าและนางนอนเอาเมียตนตั้งหกคนปีน้องออกจากห้องเวียงใจกันกะไกรไปรอถึงที่จอดดอนายเคยหกใจน้อยใหญ่ตั้งภ่ายตไตอาสา ขึ้นนาว่าพร้อมนาเปื่อแข่งตาตามไรสวนเคยใจสุดซอยหนอพระยอสซอยบุญนากระราชสิดาภูลามาถึงตาลุ่นหลังเจ้า่อนยังตีไกลตั้งายไต่ไปเหนือบ่อหันเหือเหลือเศษอยู่ที่เขตแ ด, ดนใด เจ้าห่อใจใจห ย, ยาบซ้ำคำราบไค่ปันว่ามึงจุงเรียวปันซอไสาหาเหฮือได้นำมากันรอรานน่นจ้า ก, กูจะฆ่ามึงตายส่วนเคยหกใจหยดญ่ก่อนหย่ไงจอมกันว่าวันนี้เป็นวันสุดซอย มึงจากได้หันนางยอดซอยขิงบ้างจากได้ละนางเป็นไม้ตุกร้อนร้ายเดือนลายเหตุมึงเตียงตายมวยหมด <c oughs> บอดรอดดีลีนอหมูนีหนุ่มนาวร้อนไม่เอาเลือใจจริงเลียบไปไปไต้ก็บ่อดได้หันเหือ พ่อขึ้นตั้งเนือรีบพาวถึงดานดาวแดนไก่พอตั้งใดเป่าว่างเหือบ่อข้างหันมีเจ้ามองขีนักแก่เหือยย้อยแผล่ลำไรจริงข้าดิงได้กึดเหล่าถึงปีจัดเก่าเดิมมา อันเป็นพาญาแห่งนาคริที่มากนาำนำว่าข้าแด่องคัมปีเจ้าบัดนี้ขาน้องเดาคำาจมีตกลายบ่หน้อยมาจ้องห้อยหัวใจเหตเจ้าห่อใจอยาบจ้าเหือแข่งตาไฟเหือข้าไปตั้งเนือและไต เสียงไข่ไปมาบ่มีนาวะเรือเศษอยู่ติเชตแดนใดสุดวิสัยข้าน้อยเตียงใดกาดก้อยบอ่มวายขอปี่บุญภยัยอย่าจะมาจุาาจยขาสะปันยาือื่อนตนันฟันฟาจีวิขาดมาราณายามนั้นพญานักใหญ่หูแจ้งไข่บัดเดียว กอรีเพรียวทาแหลงเปตดเป็นเหือวิเศษพดมานอพุทธสั้นทีมีใจกี้เจยบานหลงวังทานมารอดถึงติจอดดอนทรายอันหกเคยใจยพร้อมนาพงอยู่ทา ร, รา คนนำนาน้อยใหญ่กันเขาใดเล่งหันต่างอัศจรรย์ลายลากว่ามันไดมาจากแดนใดหรือว่าเหือไัยส่อนไววมันเสาะใดนำมาเหือนันนางามอาจควักเต็มว่าดวงลายดูงามหลลำยิ่งงามจูสิ่งจูอันอบกยิ้มหันแต่ก่อนเช่นปู่มอนเดิมอ่อน หัวเหืองอนดูหลากดังหัวนาดีดีเจ้าปุริใหญ่น้อยต่างก่าวถอยนหน้าเหมือนั้นพญาธิราชกวางขาดปันไม้เอื่อเคยเจ้าไอตัวนาออกแข่งตาสะปันคนเมืองนั้นหัวร้องสนั่นกองวังวนเคยหกคนยศใหญ่ตั้งไผยไตโยธา ออกนาว่าไว้ว่องเล่นลอยหลงวังใสเฮือเจ้าไว้ยิ่งกว่าเล่นลำนาบัดเดียวเล่นรีบเรียวบ่ผ่อนถึงตีบอลปักไม้หกเคยใจยตุนจ้าไปรอดลาลุนหลังต้าตาปังโคตรหม้ือแข็งแทมไมหลหลตีนอหมูนี้หยอดซอยโบตกถอยยำใด เพื่อเรียวไว้บ่อผ่อนไปถึงก่อนหกเคยจุมคนเลยหร้องสันนันกองอาณาหกเคยพาญายตใหญ่ยินโคตไม่เลือลายย่อนละอายหลแลบ่ออาจแปะใจเดียวต่างรีเปร็วพ่อควายนำเหือไหลต่อจนเพื่อหือนอพระตัตสะปนมวยมัง กางแมกวางกงก้ากันเหือเข้ามาถูกตองยังเหือแห่งน้องเคยปายเหือเข้าตั้งลายนั่นใสแตกฟุ้งไข่เป็นพงจมตกลงตามตายมดเสียงไข่ตันตาตั้งโยธานุมเท่าตั้งเคยก้าวหกคนจมบังวนมวยม้างบ่หล่อข้างคนใด โบราณไข่บอกไว้ว่าไข่หือตันใดตกจนตัวย่อมตาร้นหิวหอดไข่หือตันวอดตัววายเคยหกใจอวดแคว่วนหากเป็นแว่นยังเงาขอเจ้าเราจูผูจุงขวาดรูข่ขันิงในเอาเป็นกมไปไม่ไตย่อมจักใดสดสดีแลยนะ โสโราจาสวนพาญาบาสาวร้อนไม่เอาเรยร้นเหตุเคยหกคนยศใหญ่ตกลงใส่วังไสบ่มีคนใดจักรอดจมหายวอดตอตาตังโยธาน้อยใหญ่อันขมใจไฟเหือกบอ่เลื่อเคลื่อนข้าง โตกกลางแม่ก้างจมหายหคุณตั้งลายซอไซก็บอจวบได้แดนได้ยินบองใจลายหลากปอบอจ้างปากไข่กำตุกปักคำทังคอนอยู่ในบอนหอระไทยหัวใจไหว่านบอตั้งวันเววา ส่วนหกที่ด้านยดใหญ่มีขาดใจตัวไปคือนังไหนมวนหมู่บังแวดอยู่เป็นปริวานนาตาบานจืนจ้อยเหตทันน้องซ้อยเดียวได้ ไผบ่อไมยแวดไก่กอหย่อใยนานาเปื่อกหือนางโสผ้าน่องลาใดเผิดอนนาไอคนกันหันพัวตนจู่ปู้ตกลงสู่วังไสาย ชมหายไปบอดจ่าตัดสือนากองตาฮุกทีดาผู้ปี่อันนากีใจบานเมื่อบ่อนานแต่กี่บัตรมีตุกลำตีทมทองน้ำตาน้องไหล ล, ลังใจบากงเรร้นตีอกตนร้องไห้กิงกับไข่ไปมา นางกัญญาแวดเฝ้าจะาลมเล้าเอาใจส่วนคนในอามาตั้งไพราดพระจ้าพ่องโซกาโศกเศร้าเหตุทักเคยก็โอบใจพ่องดูได้กว่าจอยบ่อตำก้อยมองใจลังพ่องไครเกาอ่าง ว่าการแข่งมาจ้างปังป้ายแข่งเหือายน้อยใหญ่ย่อมแข่งได้ดีเลียแข่งปาราบีนั่นใสแข่งบ่อใดเนื้อนายโบราณหม่ก่าจีบบ่บีตีสังกาคนปาละกายายขมข้านาบคนบุญปังไปลุน้นเมื่อซอยตัวจักถอยบองคี หันตันมีย่าอยากได้หันตันขี้ไรยาดูแควนมีเงินแสนคำหมื่นอย่าได้ลื่นวางใจเหตุคนในโลกละบองหูไปนาดีลี วนเหลีกนี้ต่างบาปเริงเข้าหาบต่างบุญจักเป็นกุลอันใหญ่หือสมไฟกิตานาะจุมโยธาอามาดภาจาราดคนในต่างจาใไขต่อท้อยมีบ่น้อยลายภาการส่วนภาญาเจ้าฟ้าตุกโศกาเผา้นใจเววนสะตอ บ่อหูผ่อนไม้หายก่อป่าคนไหลวนหมู่ปอกเข้าสู่เวียงใจเมื่อยำไปโหเศร้าสันดาวอานายำปอกมะม่วงเมียงดักไข่เสียงยิงใจโยธาลายอากาศเตี่ยงกมนาดูดินส่วนนอหมูนิ่นหนุ่มเนาก่อลาปีเจ้าสายตา อันเป็นพญาแห่งนากริตที่มากเหลือลายอันได้กลายกระเปตเป็นเหอวิเศษงามตาแลออ้วปานางโซภากินกู้อกตีอยู่เฮือนตนก็มีหันเล น, นะา อาทาสกอเตวานามินโตในกาลนันไซเตปาไทยอินตาเล่งลงมาโลกไตฮันนอพระติวัยทารงยานได้ตกผ่านต่ำมก้อยอยู่ตูบหน่อยมุงคาตั้งพาญยายัหญ่ก็บ่อต้วไตตามกองทาริปองใส่ตโตดอันไร่โหดนานำ เพื่อหืออคุณทำตีไว้ได้ร้อนไว้เครื่องใจกุ้วรนเร็วไว้จ่วยกำฮือหลวงลำไพมานได้สำรานจืนจอยในภาษาซอยหอจันคุณสวรรค์นบนให ญ, ญ่คือเต่ป่าไทยอินตาก็อบอกเตะว่าดาตนอง์อาจจบฉลาดกองทม ได้จือจำบอบพันแต่จัดก่อนเดิมมาว่ดดุราเทวาดาตนวิเศจุงลงไปส่ขเขตปัญธุมติราช ธ, ธานียามร้อยที่เตียงคอนแสงถือไม่คอนตัวไปเข้าไปไหนภาษาตติเต้าที่ราชใสญญาแสงรมปัญหาสิบสิ่ง อันเลิกญิงเดิมอ้อนหื้อเต้าผู้ทอนที่ราดใดเกิดขวาดคันิิงใดแกเร็วไว้อยา่าใจอย่าหื้อลำกว่าเจ็ดวันกันพ้ายาตันมือบอดเจ็ดวันรอตึงมาแกปัญหาบอดใดจักเอาข้อนใหญ่ตีหัวเปหือตัวเจ้าจางัง โดมวยมั่งดับคันกันไขปันก่าจี้เฮแจง้งทีตามร้ายจุงรีบพันภายปิกปอกไหน้าออกขึ้นมาเทวดาตนองอาจกับเต้าที่ราชคุณสวรรค์ได้ไขปันบอกเล่าหูเงินเก่าความในก่อสะดดมาไว้บอกจ้า ลงสูนาเบื้องค้นสำแดงตนตีไกแห่งเต้าไทยปันธุมติผู้ทอนอันพงนอนยังย่อนอยู่ในบ่อนพังกาแล้วทำปัญหาย่อขแข่บันเลิกแลบสิบภากานือเต่าผู้บ้านยศใหญ่จำจื่อไว้ในใจ แล้วจากใครคำราบคมขานาบนาณาเต้าคุณอินตาบนกวางหากก่าวอังปันบายแล้วผันภายขึ้นสู่ยังที่อยู่คงสวรร์ก็มิหันแลยนะปุนาตีวเสกันวันลุนรุงเจ้าเต้าเป็นเจ้าพาปาระก็เรียกปารหิตาภูชะลาตั้งนักภาตอาจารย์ เสนาฮานนมเท่ามาอยู่เฝ้าสับปันแล้วไข่ปันเกาวจีเฮอแจ้งทีขีญาห่วคืนแล้วมาเตียงคอนเราอยู่บนหอใหนหมอยละไปสะดุ้งตื่นปิ้นปิกฟื้นมืนตาหันเตวดาตนวิเศษ มาจากเขตเมืองสวรรค์มือถือพันค้อนใหญ่ยืนอยู่ใกล้กองตาแล้วทำปัญหาเลือกแแลบอันยาวแควบสิบผั ก, กาดว่าเฮออาจารย์นักผาดหรือผู้ฉลาดจบทองทรีปองก่าวแก้เฮแบนแต่ตามรายจุงจำไมเบียดไว้เจ็ดวันไข่เป็นธารา เราจักมาต่อหน้าเพืืออยู่ธาดาฟังกันตันยังบ่ออาถานักพาธรงธรรมมาไขคกำเกาวจีเฮือเสียงตีสังกาขอนอันนีนาะพอไว้เราจักฟาดใส่ตีหัวเปืือหเฮือตัวเจ้าจ้างได้มวยมั่งมรณา เทวด า, กาวเา ก, าดก่าแล้วก็กาดแก้วหายหนเรามีกังวลเอาไม่รับบ่ได้ตั้งคืนกังบมวื้นไว้วันใจบ่มันได้ร่นดูราคุณต่างตนอามาตั้งดักผาต า, ารย์ตั้งคุณหาดนมเท่าอันมาอยู่เฝ้าหอนหนกันคนใดหาครูจุงเก่าไขปัน กันเจ็ดวันมาไขเราแก่บ่อใดดังหมายเราเตียงตายมวยหมดบ่ออดรอดนันไปจักละเพียงใจเป่าวางบ่อมีเจ้าจ้างทรงเมืองไผ่จะเครื่องเหยืยย่อเกิดความเคือโกรธละหน่นจุมรีป น, น้อยใหญ่ย เสียงร้อนไม่มองผ่านตีนั่นจุมคุณหานอามาตังนักภาดปรโรหิตาตางวันตากมเกา่า <c oughs> ว่าขาแดเต้าเจ้าพาปุรีปันหาบีสิบคออันแข็งย่อนำนาอันเตวดาตนบิเศษ มาจากเขตเมืองบนมาทำตนเต้าเจ้าบททวนก้าอสันได้ข้อจุงไข่ก่าวจี้เฮือแจ้งทีตามร้ายเฮ <c oughs> ือผู้ข้าลายน้อยใหญ่ใดหูไข่จอมกันเจ้าหอจันที่ราดก่อโอกาสกำไปว่าเตวดาไข่ต้านต่อ อ้อมบาดคอปัญหาเฮเราจาก่าวแกฮ้ฮแจ้งแน่ตามกองว่าเอกันนามะกิ่งดึงบ่มีสองนั่นใส่คือหากใดอันใดจุงรีบใครก่าวจี้เฮแจ้งที่ดีงามตาเวดามากิ่งสองบ่มีสามจุงแก เออแจงแน่ดีงามตีนีน่ามากิงสมบ่มีสีบ่มีห้าห้าบ่มีห6บ่มีเจ็เจ็บ่มี8ปดบ่มีเกเก้บ่มี10บสบ่มีิเอ็หากเมียนเซตสิบคอ จุงตานต่อไขามาฮือจุงจาก่าแกว่าได้แกอันใดเราตันใจลำหมอคขึ้นบอกหันร้ายตันตั้งลหลหนุ่มเทาอันมาอยู่เฝ้าใหญ่ๆ่กันคนใดหากรู้จุงเกาไรมา กันเจ้าปาราธิราชเก่าเสียงขาดสุดกรรมคนน่านำหนุ่มเท่าอามาาัดเก้าโยธาปารหิตาผูชะลาดตั้งนักผาดจบทองต่างทรีปองสั้นสองกึดขึ้นล่องไปมาปิจารณาลืมเล่าปอปันกเก่ามงหว บทมืดมัวแปดดานบ่อจางตานสันได้คือบหูจักไข่กาวแกฮือแจงแด่สับปันจริงปะกันกมเกาว่าคาแด่เต้าเจ้าบนภายคาตั้งหลนี่ใสแกบ่อใดบัดเดียวขอปอกเลียวขึ้นสู่ยังตีอยู่แกหา เพื่อปิจจาราสั้นสองเฮือแม่นจ่องแนวนาาขึ้นเบิอญยาวปลายนาบ่อล่ำกว่าสามวันที่ยังหูหันแจ้งทีบอกมีที่สงสัยเจ้าหอใจที่ราดกอดอนญาตปงปันเฮือเขามันม้วนหมูปอกที่อยู่เฮือนตนเขาจูคนไปรอดถึงที่จอดเกหา ปิจจารณานะลืมเล่าตั้งคำเจ้าวันคืนยามเตียวยืนนอนนั่งบ่หูยั่งคนิงในพ่องอาศัยปับเกา่าอ่านลืมเลา่าไหล่ตี บอหันมีจี่บอกพ้องว่าเป็นปัญหานอกเป็นเต้าจักว่าเอาดือนสั้นก็บอแน่มันใจตนกึศเวว่นลืมเหล่าปอลืมอยากเข้าแหลงอายสามวันหมายมาไขแก่บ่อใดสักอันก่อปะกันมวลหมู่ขึ้นไปสู่หอคำย่อมือตั้มต่างเกาบอกเต้าเจ้าตาหมี เจ้าปุรี nh nh ยอดใหญ่ร้อนเอาไม่เหลือหลายย้อนกวัวตายมวยหมอดบ่ได้รอดนานไปจริงเดียวไวปงขาดเฮ อ, อามาต่างตาตีสัญญาเป่าร้องไปไข่ห้องเวียงใจว่าคนใดองอาจจบฉลาดมีพระญาแก้ปัญหาเอใด ตนเต่าไทยบุญเรื่องจักพาเมืองสองส่วนด้วยรีบด่วนสะพันยกฮือตัวมันดันเล่าได้เป็นเจ้าเสวยสียศสักมีเอกอ้างเป็นเจ้าจ้างเสมอกันอาหมัดปันรีพาวตีกองเป่าสัญญาคือคนนาดาหน่อยใหญ่หูเสียงไข่ตั้งเมืองก็มีวันนั้นและนา นิดที่ตั้งขีญาสังวันนาวิเศษจะห้องเหตุสุวรรณแปลคำผูกทวนสิบกอบังกมสมเร็จเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแล